พวกเราต่างเป็นนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวมาสวมหัวโขนเป็นพ่อแม่พี่น้องคนรักเพื่อนศัตรูหรืออะไรอื่นเดียววแล้วก็ต้องตายจากไปเป็นอื่นเราต่างถูกหลอกว่ามีคนรักมีเครือข่ายญาติมิตรทั้งที่จริงทุกคนไม่มีแม้แต่เงาติดตามตัวเองไปได้ตลอด แม้คุณสมใจได้อยู่กับบุคคลนั้นเป็นที่รักในวันนี้คุณก็ไม่รู้เลยว่าวันไหนจะมีเงื่อนไขหรือปัจจัยใดมาพรากเข้าไปธรรมชาติจะบังคับให้เราทิ้งทุกคนไปอยู่ดีเราเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเรารักระวังหอบอยิ้วใครไปด้วยก็ตามแล้ววันใดบุคคลนั้นเป็นที่รักถูกพรากไปโดยมีอาจหลีกเลี่ยง วันนั้นเองที่ต้องตระหนักด้วยความตระโนกว่าคุณไม่เคยมีสิทธิ์อยู่กับใครจริงสุดท้ายสมบัติและคนรอบตัวจะต้องหายไปเหลือแต่ความจริงว่าใครเคยทำอะไรไว้กับสมบัติและคนรอบตัวพวกเราต่างก็เป็นนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวมาสวมหัวโขนเป็นพ่อแม่พี่น้องคนรักเพื่อนศัตรู หรืออะไรอื่นเดียวเดียวแล้วก็ต้องตายจากไปเป็นอื่นแม้ในชาติเดียวกันก็อาจเป็นอะไรหลายหลายฐานะบางคนเดินชนไหลหรือเหยียบเท้าใครอีกคนบนถนนตลอด ก, กันเลือดขึ้นหน้าเป็นพักกว่าจะจำได้ว่าเคยเป็นเพื่อนรักสุดรักสมัยประถมมัธยมที่เคยไปไหนไหนด้วยกันตลอดชีวิตแต่พอห่างกันมากๆเจออีกทีอาจกลายเป็นศัตรูได้ ถ้าทิ้งความรักไม่ได้ก็ทิ้งความยึดไม่ได้เมื่อทิ้งความยึดไม่ได้ก็ทิ้งต้นเหตุแห่งการเกิดมาไม่ได้และเมื่อต้องเกิดอีกก็ต้องพบกับความตายและการพลัดพรากจากบุคคลนั้นเป็นที่รักวันยังคำ่ำไม่ว่าจะห่วงแหนพวกเขาเหมือนอยากกอดไว้ไม่ปล่อยสักขนาดไหนก็ตามความรักบังคับให้คุณต้องรอการพิภากษา จากคนที่คุณรักว่าจะเอาด้วยหรือไม่แต่ความพ้นทุกมีตัวคุณคนเดียวเลือกเองตัดสินเองดุดเดียวกับการตัดสินใจเลือกว่าจะถมะเลษในปากทิ้งเสี้ยทีไหมทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคุณล้ว น, วนคุณจะแหลงเห็นว่าบนเส้นทางสู่ความพ้นทุกคุณไม่จำเป็นต้องง้อใครให้มาเคียงข้างเป็นกาลังใจ ขอเพียงคุณหนักแน่นสามารถเป็นกำลังใจให้ตนเองก็อาจเดินเดียวได้ตั้งแต่ต้นจนสุดสาย